พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งสี่ลำดับที่1ิบสาโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ย5บห้าธันวาคม2559หมีชื่อเรื่องว่าเจดีหลวงตาเดินหน้าตอกเสาเข็มอ้าวาะคณะรัทถาญาติโยมทั้งหลายอยู่ในความสงบ วันนี้พวกเราเห็นในไม่วันนี้ทราบค่ว่าอาจารย์เจริญท่านไม่สบายท่านป่วยเพราะนั้นจึงให้นี่แหละทั้งสองท่านพวกเราเห็นจะเห็นโคศกขึ้นพูดเป็นโคศกใหม่ก็คงจะมาเรียนรู้แต่ถึงยังไงโคศกทั้งสองท่านก็เป็นลูกศิษย์เก่าแก่ของ พวกเราเนี่ยหลวงพ่อมาก็เห็นทั้งสองท่านและอีกอย่างหนึ่งที่ท่านติดเป็นตํารวจเนี่ยนะพันตำรวจเอกกีรศักดิ์ไกเพชรอันนี้เคยบวชเป็นเนรน้อยกับหลวงพ่อและก็พ่อของท่านโยมพ่อยอมแม่ของท่านกันเนี่ยเป็นลูกศิษย์บ้านตาดเดี๋ยวนี้ก็ยังมารักษาศีลมาจังหันทุกเช้าที่วัดป่าบ้านตาดนะก็เป็นนั้นว่าเป็นลูกเป็นหลานของอลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตาเนี่ยแนะ ทีนี้พ่อแม่ของท่านก็นนะคุณพันตำรวจเอกกิรศักดิ์ไกลเพชรผู้กากับการ5กองบังคับการตำรวจสันติบาลสองกองบัญชาการตำรวจสันติบาลและก็ท่านที่2ก็คือนาวาเอกเบนจมาพรวงนครสว่างกำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาลายัย การทับเรือตำแหน่งที่ผ่านมาเป็นผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์สำนักจิตวิทยากรมกิจการผลเรือนทหารเรืออันนี้ก็มาวัดของเราทุกวันมาคราวนี้อาจารย์เจริญท่านไม่สบายก็เลยให้เป็นวิทยากรคัดตาทับไว้ก่อนะเพื่อคัดตาครับเอาคนหนุ่มๆนั่แหละมาช่วยกันเพราะว่า พวกเราศรัทธาญาติโยมพวกเราเนี่ยเยอะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นก็ต้องมีวิทยากรพวกที่มเีเกี่ยวกับมวลชนชุมชน เ, เข้ามาช่วยคุณชายนะคุณชายก่อนเนี่ยนะเป็นล่มโพล้มไซของลูกของหลานแต่จะให้ท่านดูแลทุกอย่างคนจะเป็นไปไม่ดักไม่ได้คงจะให้ลูกให้หลานนะั่นแหะถึงยังไงถึงจะมาทําอย่างนี้ก็เธอนะก็ต้องอยู่ในกฎ หรือว่าอยู่ในความดูแลของคุณชายนะคุณชายต้องการอะไรพวกลูกหลานเหล่านี้ทั้งสองคนก็ปฏิบัติตามนะไม่ใช่มาก้าวไก่ไม่ใช่ม า, เ, าเป็นใหญ่ในสวนแจงธรรมไม่ใช่อันนี้ขอบอกประกาศให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบท่านเข้ามาช่วยนะอันไหนที่ขาดเหลือขาดตกก็มาช่วยามาช่วยดูแลกิจการมาช่วยมวลชน อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่ม า, าในวันนี้ละรว่า ครั้งต่อไปก็เหมือนกันนะถ้ามีอะไรก่อนี่แหะให้สองท่านนี่แหละให้เป็นผู้มาช่วยดูแลคุณชายคุณชายก็ได้รับรู้รับทราบแล้วะนะคุณชายคุณชายก็ได้รับรู้รับทราบแล้วนะท่านก็ยอมรับแล้วนะเนื่องว่าท่านก็รับรู้รับทราบแล้วให้มาช่วยคัดตาทับไปก่อนแต่ถ้าว่าอาจารย์เจริญหายจากโรคขาพยาธกลับมาแล้วก็เอออาจารย์เจริญก็ดําเนินการ ต่อไปนะเพราะนั้นขอให้ประกาศให้คณะรัตยาติโจมหรือว่าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้รับรู้รับทราบนะเพราะว่าวัดสวนแสงธรรมแห่งนี้ก็อย่างที่พวกเราทัดทั้งหลายได้เห็นวันนี้ก็รู้สึกว่าจะมากกว่าทุกครั้ ง, งที่คนใส่บาทเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับ จะเป็นเทศกาลปีใหม่ก็คงจะมารับศิลรับพรจากครูบาอาจารย์พระสงฆ์เพื่อรับพรปีใหม่ต่อ น, นี้ไปก็คงจะไม่กี่วันพระสงฆ์ก็คงจะได้แยกย้ายกันเพราะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันหนึ่งที่พวกเราคณะสัตยาจ้าโยรมามารวมกันมากนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25่ธันวาคมพุทธศักราช2559 เป็นวันทอดผ้าป่าสามัคคีที่สวนแสงธรรมของพวกเราแต่ตามไม่จริงวันเสาร์าทิตย์มันเข้าไปวันที่30 31เอนะแต่มันจวนมันจะไปชนปีใหม่พวกคุณชายกับอาจารย์เจริญก็เลยล่นขยับมาเป็นอาทิตย์หลังต่อมาอกีกเพื่อไม่ให้มันไปใกล้ปีใหม่จนเกินไปจึงมีวันนี้จึงมี วันทอดป้าป่าเพื่อบำรุงสวนแสียงธรรมของพวกเราในวันนี้นะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราได้รับรั บ, รบทราบและก็พร้อมกันที่หลวงพ่อได้พูดได้เกินไว้นะแต่ถึงยังไงก็ตามในช่วงนี้เป็นช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราสวรรคารายแล้วก็พวกเราเป็นประสบนิกรถึงจะมาทํา บ, บุญ ณสถานที่ต่างๆนะถึงมาทําสถานที่นี่ก็เถอดนะเมื่อเราพวกเรารับศีลรับพรแล้วก็ให้พวกเราน้อมจิตถวายเป็นพระรสุกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราทุกครั้งนะเมื่อถวายผ้า ป, ป่าเสร็จแล้วนะส่วนหนึ่งแล้วก็มอบอถวายเป็นพระรสุกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอของพวกเรา เพราะว่าพวกเราได้อยู่ในใต้ล่งเงาพระบารมีของพระ อ, องค์ท่านพวกเราได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขมานมนานทีเดียวไม่ว่าทางพระพุทธศาสนาพระองค์ก็ได้เป็นพุทธศาสนูปถรรมพกดูแลพระพุทธศาสนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ได้รับรู้รับทราบน่นนะสื่อ ต, ต, ต่างเขากาประกาศออกมามากต่อมากพระคุณของพระองค์ท่านองค์งทำคนูประการให้กับประเทศชาติ สมกับเป็นพ่อของชาติจริงๆ เ, เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านที่เป็นได้ทำบุญมากน้อยอย่างไรแค่ไหนก็ขอถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็พร้อมกันอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเป็นวันปีใหม่ปีใหม่สาคนวันที่หนึ่งอันนี้วันที่25่าันวาและอีกไม่กี่วันก็เป็นวันที่หนึ่งม ก, กรา เป็นวันเคลื่อนปีใหม่แต่ถึงยังไงปีใหม่ผ่านไปถ้าว่าเราไม่ได้สํานึกชกคิดวันปีใหม่มันก็ผ่านไปก็เท่านั้นแหละพระวอาทิตย์พาทิตย์ก็โผมาแล้วก็ดับไปแล้วก็โผขึ้นมาแล้ก็ดับไปเราก็เป็นผู้สมมุติขึ้นมาว่านี่คือเป็นวันเดือนนั่นปีนี้เป็นวันปีใหม่ แต่สวนพระทิดพระจันทร์เขาไม่ได้ว่าเขาเป็นปีใหม่ปีเก่าของมวลมนุษย์แต่มวลมนุษย์ของพวกเราเนี่ยสมมุติขึ้นมาว่าเป็นวันปีใหม่ถึงยังไงก็ตามแต่ว่าการกระทำระหว่าการเคลื่อนไหวของพวกเรากายวาจาใจของเราเนี่ยควรจะสํานึกว่าสิบส อ, อเดือนหรือปีที่ผ่านมาปี2559เนี่ยเราได้ทําอะไรไปบ้างในสิ่งที่ดี เราทำอะไรไปบ้างในสิ่งที่ไม่ดีมนโนกรรมเราคิดไปในสิ่งที่ไม่ดีคุ่นคิดแต่ความชั่วอยู่ตลอดใช่ไหมหรือว่ามีเท่าไหร่มีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วการกระทําของเราทำความชั่วกี่เปอร์เซ็นต์ทำความดีกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วพูดดีกี่เปอร์เซ็นต์พูดชั่วพูดที่ไม่ดีกี่เปอร์เซ็นต์ ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราถ้าเราเป็นผู้มีสตินะนึกย้อนหลังดูเพราะนั้นปี2อ5 9หอนี่ลูกพ่อเองอยากจะให้พวกเราลำลึกนึกย้อนหลังดูว่า เ, เราได้ทำความเดือดร้อนให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้วงศาคณาญาติให้มิตรสหายมีอะไรบ้างต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ทำอีกนะปี2560น ควรจะตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตตั้งใจมั่นว่าจะไม่ทำสิ่งที่มันไม่ดีะจะคิดจะทาสิ่งที่ดีเท่านั้นอันนี้แหละถ้าหากว่าพวกเราสำนึกได้อย่างนี้แปลว่าปีใหม่ปีเก่าปีใหม่จะมีประโยชน์สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายไม่ได้สำนึกสาเนียนอกเร่งเหล่านี้น ะ, ะวันคืนเดือนปีมันก็ผ่านไปผ่านไปอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านแต่เดี๋ยวนี้ทางไม่ว่าในเมืองไม่ว่าชนบทอำเภอจังหวัดต่างแต่ละวัดก็จะมีเตรียมการเพื่อจะสวดมนต์ข้ามปีทางจังหวัดที่หลวงพ่ออยู่เขาไม่ใช่ย่อยเหมือนกันแต่ละอำเภอเขาก็เตรียมพร้อมให้ประชาชนศรัทธาญาติโยมเข้าไปสวดมนต์ในวัดหรือในโบสถ์ หรือจัดเป็นปรามหือจัดเป็นสถานที่สวดมวนต์ข้ามปีแล้วก็เป็นการถวายพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของอพวกเราด้วยนะ อ, อันนี้ก็คือการเตรียมพร้อมแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะคณะทศไทยญาติโยมที่อยู่ในเมืองในกรุงที่หลวงพ่ออยู่ในชนนบท เ, เจ้าคณะอาเภอท่านก็บอกว่า เด็กทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงนะท้งหลวงพ่อนะเปลี่ยนปเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตกนนะกอเนี่ยเด็กพวกหนุ่มสาวทั้งหลายพวกหนุ่มๆทั้งหลายเนี่ยไปกินเลี้ยงสนุกสนานในร้านอาหารคาราโอเกะอะไรเนะี่ยมันึงตึงนางกันไปหมดปีใหม่แต่ปีสองปีที่ผ่านมานี่ยพวกเด็กหนุ่มทั้งหลายหันเหเข้ามาสู่วัดนะ แล้วก็พ่อมพากันเป็นนั่งสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลสําหรับตนเองเพื่อสําหรับ เ, เข้าไปสู่วัดหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็เออปลื้มปีติใจลึกๆเหมือนกันเออลูกหลานของเราแต่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อเกิดอดวิตกกังวลไม่ได้ว่ามีแต่คนแก่เข้าวัดเข้าว่าคนหนุ่มโอ้รู้สึกว่าพุทธศาสนาของเราเนี่จะยืนยาวไปสักเท่าไหร่นอทําไมเห็นแต่คนแก่เข้าวัด คนหนุ่มหันเหไปทางอื่นแต่บัดนี้รู้สึกว่าคนหนุ่มของเราเนี่ยหันเหเข้ามาสู่วัดหาหลักเหตุผลหาที่พึ่งทางด้านจิตใจนี่แหละหลวงพ่อว่าเป็นผลดีทีเดียว เ, เพราะนั้นวันสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยหลวงพ่อเองก็อยากจะเตือนพวกเราทุกทุกท่านถึงพวกเราไม่ได้ไปสวดมนต์ข้ามปีก็เถอะนะ ถ้าเราจะสวดอยู่ในบ้านพร้อมกับครอบครัวของเราหรือสําหรับตัวของเราส่วดตัวของเราก็เถอณนะเข้าไปในห้องพระเข้าไปเจ้าจะสดสวดอิติปิโสนะอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธ佛สวดคนเดียวก็ได้ต่อหน้าพระพุทธรูปจะเป็นองค์เล็กองค์ใหญ่ก็ได้นะไม่ต้องจุดธูปเทียนแล้ว เ, เดี๋ยวเราจะลืมจุดมันอบอวนในห้องนะเพียงจะจุดไฟฟ้าแล้วก็นั่งแล้วก็สวดอิติปิโสภควา ร้อยเป็ดจบบางกี่ร้อยกับชุดแท้แต่เราจะสวดได้นะออพอสวดแล้วพอถึงตัวถึงจะเที่ยงคืนสักสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีก่อนจะเที่ยงคืนเราก็นั่งทั้งสมาธินั่งสมาธิทบทวนดูว่าปีองนห้าอยห้า59เ้านี่ข้าได้ทำอะไรไปบ้างที่สิ่งที่มันไม่ดี แตเ่เราทําให้ใครเดือดร้อนบ้างปี59 เ, เราได้ทำสิ่งอะไรบ้างที่มันไม่ดีเราขาดตกบกพ่องอะไรบ้างในปี2559จากนั้นมากันเราก็เพ่งไปทางหน้าอีกปี2560ข้าพเจ้าจะไม่ทําสิ่งที่มันไม่ดีในปี2559ข้าพเจ้าจ ะ, จะทําคิดดีทดําดีพูดดีเท่านั้น ข้าพเจ้าจะงดบุรีให้ได้ในปี 2,560 เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะงดจุราเด็ดขาดในปี 2,560 เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะงดการพนันทุกอย่างในปี 2,560 นี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าจะงดความโกรธตอกลข้าพเจ้ามีแต่อารมโธโกธาใครๆอยู่ใกล้ก็ลำบาก ทั้งสามีภรรยาลูกหลานก็หาว่าเราโกรธโมโหโกรธถาเอาเถอะบัดนี้ข้าพเจ้าจะพยายามลดความโกรธของข้าพเจ้าลงอย่างนี้ล้วนแล้วจะเป็นมงคลมหามงคลของชีวิตนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่าน เ, าเมื่อสวดมวนต์ข้ามปีแล้วก็ให้ทบทวนให้ทบทวนในจิตในใจของพวกเราว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรในปี2560ที่จะถึงนี้ อันนั้นแหละถ้าว่าเราคิดได้และทำได้ปฏิบัติได้อย่างนั้นล้วนแล้วจะเป็นมงคลมหามงคลในชีวิตของพวกเรานะถ้าว่าพวกเราสวดไปแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมิจฉาสวด เ, เหมือนกับนกแกว้วนกขุนทองพูดพูดไปแล้วก็จบไปโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายวาจาใจของเราเลยอันนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันนะแต่ดีโย ดีที่เราได้สวดมนต์แต่ว่าถ้าว่าเราเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของเราด้วยอันนั้นจะเลิศประเสริฐกว่าพนันขอฝากไว้กับคณะสัตยาญาติโยมทุกท่านนะปีใหม่ที่จะถึงและก็พร้อมกันวันนี้ก็เป็นการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนให้กับสวนแสงธรรมของเราเพราะสวนแสงธรรมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตา ที่ท่านได้มอบหมายให้กับพวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานพระเนนให้ช่วยกันดูแลเป็นแหล่งที่บําเพ็ญกุศลเป็นแหล่งที่สร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่ว่าแหล่งหาผลกําไรอะไรทั้งหมด เ, เป็นแหล่งที่พวกเราหันหน้าเข้าหากันแล้วก็มาแสดงความเคารพคารวะเสียสละ เ, เพื่อดูแลบํารุงสวนแจ้งธรรมกระพร้อมกัน ผู้ใดจะมานั่งภาวนาที่สวนแสงธรรมกอนล้วนแล้วเป็นศิลป์เป็นมงคลทั้งนั้นเพลียเพราะว่าสถานนี่แห่งนี้หลวงตารับดรืยอความเมตตาจากองค์หลวงตาจริงๆ จ, จากนั้นท่านก็ได้มาแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ที่นี่ไ่ล่วกกี่ร้อยกี่พันครั้งนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตาที่พวกเรา ยกย่องเชิดชูบูช า, าเป็นคือเป็นพระอรหันต์พูดง่ายๆนะแล้วก็ให้พวกเรามาปฏิบัติธรรมที่นี่หลวงพ่อว่าเป็นชริตเป็นมงคลนะแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อเอกอยากจะพูดเกี่ยวกับเจดีย์ขององหลวงตาอีกเหมือนกันนะอพอหลวงพ่อบำลงุงหลวงพ่อบันดิตก็นั่งอยู่ที่นี่แหะที่ได้รับรู้รับทราบร่วมกัน แต่ศรัทธาญาติโยมก็คงเยอะเจดี JD ของหลวงตานี่ทำไมหลวงพ่ออินมากรหายเงียบไปแม่ไม่เห็นพูดอะไรแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองเป็นผู้ผลักดันนะอ น, นัต ถ, ถาญาตโยมเป็นผู้ผลักดันให้เกิดเจดีที่วัดป่าบ้านตาดมาเพราะว่าบ้านตาเป็นบ้านพ่อบ้านแม่ถ้าหลวงพ่อสร้างขึ้นมาแล้วจะเป็นการรบกวนทําให้พระสงฆ์อยู่ข้างในวัดไม่สงบ เสียปฏิปทาขององค์หลวงตาอย่างนั้นใช่ไหมหลวงพ่อก็พิพิจารณาดูแล้วนะไม่น่าจะเกี่ยวกันเพราะว่าวัดของหลวงตาก็มีกำแพงร้อมรอบตนะั้งร้อยหกไร่น่ะอันนี้ก็ออกไปอยู่ข้างนอกห่างจากวัดหลวงตาไปไกลพอสมควรอยู่แต่ว่าในขณะที่ทํางานกออ็คงจะมีเสียงบ้างแต่ก็ไม่น่าจะมีเสียงอะไรดังมากมายเพราะว่ารถลากวิ่ง เ พ, พ่นผ่านอยู่แถบนั้นจนพอแรงเหมือนกันแต่จะให้เสียงดังสนั่นวันไหวคงจะไม่ถึงขนาดนั้นหลวงพ่อว่านแล้วก็เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็คงจะเป็นชริกเป็นมงคลแต่ขณะนี้คณะกรรมการทั้งหลายกาลังคิดหาคอนเซ็ปต์เขานะนี่แหละเามาพูดกันเมื่อวานมันก่อนหาผู้ที่จะมาดูแล ง, งานและก็พร้อมกันก็กำลังหาหาเสาเข็มนะ เขามาเจาะดูแล้วเจาะพื้นดินดูแล้วพอเจาะจาะลงไปทีแรกเราเจาะได้เพียง12เมตรนะเอ็ด1 1บเมตรก็น่าจะเพียงพอแต่ที่นี้เขาจ้างบริษัทมาเจาะจริงจั ง, จงพอเจาะลงไปถึง17เเมตรนะพอสิบเเมตรไปถึงดินดานชั้นหนึ่งเขายังไม่พอเ็ เ, าเจาะลงไปอีก่เจาะลงไปประมาณ2เมตรทนี้มันทะลวงลงไปเยทยนี้ มันเหมือนกับเป็นดินทรายจนถึง35มเมตรยังค่อยเจอดินดานเออเขาก็เลยมาพิจารณาการวิศวกรเพราะนั่นการสร้างเจดีย์ของลงตาไม่ใช่ว่าเราจะทำแบบง่ายๆนะเราคิดว่าเอาให้ถูกหลักตามหลักวิชาการวิศวกรรมทีเดียวละ เ, ออเพราะนั้นเขาจึงเจาะลงไปถึง35มเมตรเขาโอ้หนักใจเลยทนีเออ่เราจะใช้เสาเข็มเสาเข็มตัวนี้มันก็จะต้องแพงเลยทีนี ที่แรกเราว่ากะว่าเสาเข็มเนี่ยดิ่งดานของเรา1 2บ3สบเมตรเนี่ย เ, เราจะใช้เงินเพียงล้านกว่าบาทสิาล้านกว่าบาทประมาณ1 3ล้านนะแต่ถ้ า, าว่ามันถึง30กว่าเมตรอย่างนี้นะ เ, เราคงจะใช้เงินมากแต่ลงพ่อเอากับมาปรึกษาผมพ่อก็ได้ยินลุงพ่อวาเอเอถ้าหากว่าถึงจะแพงเราก็ต้องยอมจ่ายเพราะอะไรเพราะว่า เราต้องการให้เจดีย์ขององค์หลวงตาเนี่ยจุเป็นพันๆปีถ้าหากว่าเรามาเสียดายเสาเข็มตอกเสาเข็มแล้วก็เสียดายเสาเข็มพอเซจดี JD, พอสร้างขึ้นมาแล้วเจดีย์มันเอียงหรือมันซดเนี่ยเราพวกเราก็คงจะเสียใจไปนานเท่า น, านั้นเพราะฉะนั้นการที่จะทำก็ขอให้ทําให้ดีแล้วะไอ้ตรงพระเจดีย์แต่ส่วนศาลาลายหรือพิพิธภัณฑ์นั้คงจะมาได้รับนับรับน้ําหนักมาก ตัวนั้นคงจะใช้เสาตอกเราก็เห็นด้วยแต่ตรงพระเจดีเนี่ยถึงยังไงก็ต้องใช้เสาเจาะถึงจะแพงต้นล้ำหลายหมื่นเราก็ควรจะลงลงลงอันนั้นคงจะลงทำกันอันนี้นะ่ะวันที่6ที่จะถึงนี่นะวันนี้เป็นวันที่ยนะีคสิบห้านัรรมสัตยาธิโจมวันที่หนี้เขาคณะกรรมการวิศวกรแล้วก็โยธาและผู้เกี่ยวข้องเขาจะมาชมมาประชุมอยู่ที่ ทรัพย์สินทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์ที่กรุงเทพนะี่แหละเขาจะมาหาหรือกันแต่หลวงพ่อไม่ได้เข้ามาหรอกหลวลงพ่อมีแต่สนับสนุนอย่างที่ว่านั่นแนหะแต่หลวงพ่อได้รับรู้รับทราบคือสรุปแล้วคือเจดีขององค์หลวงตาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หยุดหย่อนนะเดินหน้าไปเรื่อยๆแต่หลวงพ่อก็ได้รับทราบข่าวว่าเมื่อหลวงพ่อจะลงมาหลวงพ่อกับแวะเข้าบ้านตากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพอหลวงพ่อมางาน สลีละของหลวงปู่จันศรีจันททีโปวัดโพธิสมพรหลวงพ่อก็ได้มาออกจากวัดโพธิสมพรเขามาวัดป่าบ้านตาดแล้วก็ไปขึ้นไปผาแดงไปกราบครวะหลวงปู่ลีไปถวายปัจจัยสร้างเจดีร่วมสร้างเจดีกับหลวงปู่ลีด้วยนะพอหลวงพ่อเนี่ยเมื่อออกพรรษาและทอดกระถินเสร็จแล้วนะพอทอดกรินเสร็จแล้วเราก็ตั้งใจเออเงินกระถินเนี่ยควรจะเอาไปสมทบ สร้างเจดีย์ของหลวงปู่ลีด้วยสักห0 0แสนะแต่นี่พอพอทอดกระดิ่ไม่กี่วันกับน้าท่วมวัดหลวงพอ่อเนี่ยโอ้ดูไม่จืดเลยเก็เสียหายแต่ถึงยังไงความตั้งใจของหลวงพอ่อนึถึงแต่น้ำจะท่วมวัดก็จริงอยู่แต่ไม่มันไม่ท่วมหัวใจของหลวงพ่อใช่ไมไม่ท่วมหัวใจของคณะสงฆ์สิทธยาธิษฐ์ทั้งหลายหลวงพ่อก็เลยนาจตุปัจจัย5 0,000 บาทนะไปถวายหลวงปู่ลี เออได้ละเพื่อให้หลวงปู่ได้สร้างความเจริญดีของท่านจากนั้นก็ได้ไปแวะไปที่วัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อก็ได้ถามหลวงพ่อบำลุงว่าปัจจัยปัจจัยขององค์หลวงตาเนี่ยที่ต่างกลัมต่างวานรลลูกหลานได้มาร่วมสมภพเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะหลวงพ่อบำลุงท่านก็บอกว่าได้เงิน512ล้านกว่านะก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะห้าล้านกว่า ที่เงินที่เงินเจดีขององค์หลวงตาแต่นี่ล้มพ่อก็เลยมาบอกกับคณะกรรมการาคณะกรรมการหรือวิศวกรทั้งหลายนะบอกว่าเรื่องเสาเข็มนะ่ะควรจะเปิดบัญชีขึ้นมาอีกบัญชีหนึ่งไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเงินก้อนนี้เพราะเงินก้อนนี้เป็นเงินเจดีเอาเถอะพวกเราควรจะเปิดบัญชีเพื่อเสาเข็มแต่นี่ล้มพ่อถู่ใจก็เปิดแล้วนะ หลวงพ่อเปิดหลวงพ่อหุ่ใจเปิดบัญชีเฉพาะเสาเข็มโดยเฉพาะในเมื่อตอกเสาเข็มเสร็จแล้วนะทางเงินเหลือก็คงจะผักดันเข้าไป เ, เข้าไปหาบัญชีใหญ่ถ้าว่ามันไม่เหลือก็ยังค่อยว่ากันพวกเราก็คงลงขันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองขอประกาศให้คณะสัตย า, าติโยมทุกๆ ท, ท่านได้รับรูบร้ ร, รับทราบนะ เ, ะเตรียมกระเป๋าไว้นะหลวงพ่อก็เตรียมกระเป๋าไว้เหมือนกันน ะ, ะไม่ใช่ไม่ถอยเรื่องเรื่องเจดีย์ของหลวงตาเท่าไรเท่ากันเลยะ เคียงบาเคียงลายกันเลยล่ะเพราะหลวงพ่อเนี่ยไม่ถอยอเรื่องที่หลวงพ่อว่ารับว่า50บล้านบาทน่ยหลวงพ่อจะเอาเข้ากองทุนน ะ, อะกองทุนใหญ่แต่ว่าเรื่องพระเจดีย์ไอ้เรื่องเสาเข็มทีนะที่จะตอกเสาเข็มเนี่ยะจะเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย อ, อันนี้แหละขอบอกประกาศให้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานใช้คล้ายขวัตเจดีย์ของโลงตาขึ้นงอยบนศีรษะของพวกเราเลยแล้วงั้ น, นพวกเราเอาหัวดันพระเจดีย์ของโลงตา คือเสาเข็มบางกันดเด อ, อคณ ะ, ะใครจะลงเรื่องเสาเข็มก็เตรียมเตรียมกระเป๋าไว้นะ เ, เตรียมตบกระเป๋าไว้ เ, เราจะช่วยเท่าไหร่งานนี่นะอีกไม่กี่วันเตี๋ยวหลวงพ่อก็คงจะประกาศให้คณะสัตยาญาติโยมได้รับรู้รับทราบเสาเข็มนี่ก็อีกไม่กี่วันละคงจะประกาศได้แต่นี้เขาก็บูก ร, รู้ละเป็นในในแล้วละแต่หลวงพ่อเองก็ยังไม่ประกาศเพราะเหตุใดเพราะว่ายังไม่ได้รับเหมายังไม่ได้หาผู้รับเหมาเดี๋ยว เขารู้ว่าเรามีเงินเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวเสาเข็มมันก็นจะขึ้นพราะลวดพลรราดขึ้นมาอีกนะเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะพูดก่อนแต่ถึงยังไงก็หลวงพ่อทําให้ดีที่สุดน ะ, ะเจดีย์ขององค์หลวงตาเนี่ยเพราะว่าเขาเจาะลงไปแล้วเขาจะเอามาดินทั้งหลายที่เขาเจเเาะขึ้นมาถึงสามสิบห้าเมตรเขาเจะเอามาเทที่เนี่ยนะทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นี่แหละ ดินขนาดนี้เป็นยังไงขนาดเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ด้วยวิศวกรการกรองไตรตองให้ดีซะก่อนจากนั้นเขาก็จะลงวตินะก็ไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียวนะเป็น10บ ส, บสบคนนะคณะศรัทธาญาติโยมล้วนแล้วแต่ of, เป็นผู้มีคล้ายๆกับเป็นผู้มีศรัทธาทั้งนั้นแหะหลวงพ่อประกาศเลยแหะบอกว่าผู้ใดก็ตามนะถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่อยากจะได้บุญกับเจดีหลวงตานะ่ยอย่ามาใกล้หนีออกให้ห่าง ถ้าว่าผู้ใดก็ตามมีความเชื่อเขารบในองค์หลวงตาเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วจะเป็นสิริเป็นมงคลต่อประเทศชาติต่อพระพุทธศาสนาต่อวัดวาศาสนาต่อวัดป่าบ้านตา เ, เข้ามาเข้ามาจึงจะมีมากมีน้อยหลวงพ่อไม่ได้ว่าพอมาช่วยกันคนลาไม้คนละมือเพื่อเชิด ช, ช, ชูบูชาองค์หลวงตานี่แหละหลวงพ่อไม่ได้ต้องการอย่างอื่นน่าลูกหลานหลวงพ่อให้การสนับสนุนร้อยเต็มร้อยแหละ เพื่อจะให้เจดีเกิดขึ้นที่วัดป่าบ้านตาดแต่เกิดที่อื่นก็ได้และเกิดที่ไหนไหนอันนั้นคือวัดอื่นไม่ใช่วัดป่าบ้านตาดนะหลวงพ่อทําไมหลวงพ่ออยู่นาคําน้อยห่างไกลตั้งเป็นร้อยเกือบ200ร้อกว่ากิโลนทาไมหลวงพ่อจึงสนับสนุนคนหลวงพ่อบอกหวานบ้านตาคือบ้านพ่อของหลวงพ่อนะบ้านพ่อทางธรรมเพราะหลวงพ่อมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเป็นเวลาถึง14บสี่ปีโยกองค์หลวงตาะะเพราฉนั้นหลวงพ่อจึง ขอรบลึกซึงในธรรมคำสอนเรามองไม่เห็นอย่างอื่นถ้าหากว่ามีพิพิธภัณฑ์ขึ้นมามีเจดีย์ขึ้นมาก็คงจะเป็นเครื่องยึดเหนียวทางด้านจิตใจของพี่น้องประชาชนที่เข้ามากราบมาไหวเ้เราไม่ได้คิดมองมองอะไรพอหลวงพ่ออายุปีนี้กือเจ็ดสิบปีแล้วหลวงพ่อจะอยู่ไปอีกไปกี่ปีหลวงพ่อก็ไม่มั่นใจเหมือนกันถึงถึงแปดสิบปีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ เ, เพราะนั้นถึงยังไงก็เถอ น, ะขนาขณะที่ อย่างเดียวนี้พอที่จะช่วยพระเจดีย์ขององค์หลวงตาได้หลวงพ่อจะออยื่นมือเข้ามาเลยปนมมือเข้ามาเลย เ, เพื่อเชิดชูบูชาพระคุณองค์หลวงตาหลวงพ่อสร้างหลกงพ่อมั่นใจว่าเมื่อสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วนะ เ, เมื่อสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วประวัติของหลวงตาก็มีอยู่ในนั้นคนต่างชาติต่างแดนวันนี้นะพระที่ปีสองพันห้าพ้าร้อ 39-40 ่ศ 39, นะ่ที่ท่านออกมาช่วยชาติหาทองคำเข้าคลังหลวงถึง13ตันกว่าดอลลาร์ถึง10ล้านกว่าดอลลาร์ท่านมีประวัตินะมีประวัติของท่านนะอยู่ที่ไหนเจดีพิพิธภัณฑ์นี้คนต่างชาติต่างภาษาเขาก็จะเข้ามาเข้ามาก็จะมาศึกษา ล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นเครื่องเป็นเครื่องเชิดชูบูชาเกียรติประวัติขององค์หลวงตาของเราเพราะนั้นหลวงพ่อไม่ได้คิดใกล้นะคิดไกลๆเหมือนกันนะกณรับศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะไม่ได้คิดเพื่อหลวงพ่อนะคิดเพื่อเชิดชูบูชาประ ป, ปฏิปทาเลว่าแนวพระกรรมฐานองค์หลวงตาคิดได้ยังไงท่านเป็นพระกรรมฐานแท้ๆเป็นผู้มักน้อยสันโดษเราก็รู้แก่ใจเพราะหลวงพ่ออยู่กับท่านเป็นเวลาสาม ในสิามสิบสีปีท่านไม่เคยมีซองผ้าป่าเลยถ้าใครเป็นมีซองผ้าป่าร้อยฟ้าผ่าเลยนะ่ะแต่ทีนี้พอท่านออกมาเนะี่ยท่านเปลี่ยนออกมาน่ยท่านบอกว่าเราไม่ได้ทําเพื่อเราทําเพื่อชาติบ้านเมืองเห็นไหมชาติบ้านเมืองจะล่มจมจิบหายต้องช่วยกันหน้าหนะลวงพ่อเองใน3ามสหปีไม่ได้ก่อสร้างภายในวัดเลยนะได้เงินพะระตะไหรกระถิ่นผ้าปา่าซื้อทองคําช่วยหลวงตาเกือบทั้งหมด ไม่ว่าแต่หลวงพ่อนะออลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาทุกคนนะแปลว่ากควักกระเป๋าช่วยชาติบ้านเมืองนี่แหละหลวงตานีนท่านเป็นผู้นําที่ดีเพราะฉะนั้นมาถึงจุดจุดนี้แล้วนะพวกเราที่อยู่เบื้องหลังจะให้หลวงตาบอกว่านะ อ, อ, องค์นั้นสมควรสร้างเจดีแม่ชีแก้วนะท่านเป็นพระหรหันธ์นะสมควรสร้างพระเจดีท่านล่าสร้างพระเจดีท่านจึ่งทองสร้างพระเจดีหลวงปู่เขา หลวงปู่คำดีท่านก็ไล่ไปแต่สำหรับเราเราอย่านะอย่าเข้ามายุ่งนะเรื่องของเราเราจะหาทองเงินเขาข้างหลวง อ, อย่ามายุ่งกับเรามันเรื่องของเรานะอันนี้คือคล้ายๆกับว่าในเมื่อองค์อื่นท่านก็สนับสนุนนะขนาดเจดีหลวงปู่ฟัน่นท่านยังเป็นประธานน ะ, ะคุณชายป๋ำน่ยเช่ออยู่ข้างๆหลวงพอ่อหลวงพ่อมาที่พูดมัวเมียพูดน ะ, ะคุณชายป๋ำนะั่นะนะรู้ เรื่องมาตลอดหลวงตาเป็นประธานในการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฟัน่นและก็สร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นสร้างเจดีย์หลวงปู่ฟัน่นฮะแต่สำหรับองค์หลวงตาท่านวอยามายุ่งเรื่องของเรานะั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของท่านาถ้าว่าท่านบอกว่าเออถ้าว่าข้าตายไปแล้วนะข้าล่วงลับไปแล้วนะเจดีย์ของเรานะัให้สร้างใหญ่กว่าทุกองค์นะเข้าใจหมลูกศิษย์ พวกเราจะมีความคิดเห็นอย่างไรอันนี้ท่านทอมตนทั้งขนาดนั้นเราในฐานะสิทธิามุสิ์ทั้งหลายควรจะสํานึกได้ว่าควรทําเชิดชูบูชาพระคุณองค์หลวงตาอย่างไรเพราะฉะนั้นหลวงพ่อมาคิดจุดนี้นะอาจจะคิดแปลกแตกต่างกว่าหมู่พวกเพื่อนบางองค์หรือว่าศรัทธาญาติโยมบางกลุ่มบางคนนะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเป็นแนวความคิดของหลวงพ่อเนี่ยขอให้พวกเรานําไปคิดดูซิ เออมันเป็นยังไงหลวงพ่อเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือว่าเออแต่หลวงผู้เอนหลวงก็ไม่หลวงพ่อก็ไม่ว่าแตาท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านอาจจะมองไปในมุมหนึ่งเออแต่สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อมองไปอีกในมุมหนึ่งเพราะนานาจิตต่างนานาทัศน์นะเออแต่ถึงยังไงหลวงพ่อมีเจตนาดีเป็นเจตนาดีเป็นหลักนะเออถึงยังไงมีเจตนาดีเป็นหลักเพื่อเชิดชูบูชาพระคุณหลวงองหลวงตา เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทยาญาติโยมทั้งหลายที่นั่งต่อหน้าหลวงพ่อฟังฟังเอาไว้นะหลวงพ่อแสดงความคิดเห็นแต่พอมาพูดถึงเจดีแหลหลวงพ่อเลยฤทศวเดินหน้าบุกเลยราะงั้นด้วยความมั่นใจเพื่อเชิดชูบูชาพระคุณองค์หลวงตานะไม่ได้ม่ได้คิดอย่างอื่นเาตอนนี้ไปพระสงฆ์ก็มันทนาให้พรรับพรในีน่หเนาะ